ทุกคนที่นี่หรือที่ไหนก็ตามไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าหนุ่มสาวหรือว่าแก่ชราผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเก่งหรือไม่เก่งก็ตามพวกเราทุกคนมีสิ่งประเสริฐที่ถือว่า เป็นโชคอย่างยิ่งอยู่หลายประการอย่างแรกคือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีร่างกายอย่างมนุษย์แล้วก็ได้มีจิตใจที่สามารถคิดได้รู้สึกได้ใครครวนได้เนี่ยนันี้มันเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งนะ ถือกันว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นยอดปรารถนาของเทวดานะอันนี้พรจะเจ้าจัดไว้นะว่าพิสูุนทั้งหลายนะในความเป็นมนุษย์นี่แหลนะเป็นที่ปรารถนาเป็นสุคติของเทวดาทั้งหลายสุคติหมายถึงว่าที่เกิดหรือว่าที่ไป เทวดานี่เวลาจุติก็อวยพรกันว่าให้ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าคนเรามนุษย์เราอยากไปเป็นเทวดาเวลาทําบุญก็อยากจะได้ไปเกิดพบใหม่ในสวรรค์แต่เทวดานี่ตรงข้ามนะเขาอวยพ ร, พรว่าเนี่ยเออถ้าจะจุติจุติไปว่าดับก็ ให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถหลายประการโดยเฉพาะความสามารถในการที่จะพ้นทุกข์ได้อันนี้คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ตามตำนานก็ว่าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งเป็น พภูมิที่เหมาะสําหรับการที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐกับเทวดาหลายประการเช่นมีความกล้าหาญมากกว่ามีสติดีกว่าแล้วก็มีความสามารถในการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ สามารถจะเจริญในมรรคมีองค์8ได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่การคลองเพศพรมจันทร์คือไม่มีครูอันนั้นเป็นความหมายที่แคบคนเราถ้าตาบใดที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์นะแม้จะไม่ครบ32 ก็ยังสามารถที่จะมีความสุขสามารถที่จะทำสิ่งดีงามนะสร้างสรรค์สิ่งที่ประเสริฐได้ถ้าหากว่ายังมีจิตใจนะที่คิดได้รู้สึกได้นะคือมีจิตใจอย่างมนุษย์มีสมองมีความรู้สึก มีคนพิการหลายคนเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็มีความสุขอย่างชายญี่ปุ่นคนนึงนะชื่อโอโตะเกะเขาเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบห้านะไม่ครบ5้าคือว่ามีแต่หัวไม่มีแขน2ไม่มีขาสองเป็นหนังสือที่ขายดีมากนะมีแปลเป็นไทยชีวิตเขาก็น่าจะอาภัพนะ แต่ปกว่าขอเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งเอเคว่าเนผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันท่านั้นที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้ต้องหลายอยา่างคือพึ่งตัวเองได้กินข้าวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าเขียนหนังสือ แม้แต่เล่นกีฬาบาสเกตบอลเขาก็ยังพอจะเล่นได้นะใช่มีมีถ่ายรูปเขาไว้ตอนที่เขายังเป็นเด็กนะเล่นบาสเกตบอลทุกวันนี้เขาก็มีชีวิตที่ผาสุกตัว อ, อย่างอีกคนหนึ่งที่ ค, คล้ายกันนะมีชื่อมากคนนี้อีกไม่กี่เดือนจะมาเมืองไทยชื่อนิกูจิสิกนะเป็นฝรั่งนะ ก็ไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความสุขพึ่งพึ่งเข้าพิธีวิวาไม่กี่เดือนมา น, นี่เองคือเขาสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่า หมดแล้วชีวิตนี้ทําอะไรไม่เหมือนมนุษย์มรราเขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วจะทําอะไรได้โลกนี้มันเป็นโลกคนที่มีแขนมีขาอาการสายสองครบตอนหน้าอายุสิบสามแต่ว่าพอก็ได้อ่านเรื่องราวของคนที่พิการเหมือนเขานะแต่ว่าสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ก็ เ, เกิดแรงบันดาลใจว่าเ อ, อ เขาจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีมือมีเท้ามีอาการสายสองครบว่าสามารถจะมีความสุขสามารถที่จะใช้ชีวิต อ, อย่างมีคุณค่าได้ น, นั่นก็ทำให้เขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะแล้วก็ เชื่อว่าเขาคงมีความสุขมากกว่าคนจํานวนมากนะที่มีมือมีไม้มีทุกอย่างอย่างที่เราได้ยินข่าวนะคนที่ฆ่าตัวตายนั้นแทบจะร้อยทั้งร้อยนะไม่ใช่คนพิการนะไม่ใช่คนพิการเป็นคนที่มีมือมีเท้ามีอวัยวะสายพสองครบนะอันนี้พราะเขาไม่ตระหนักว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็น สิ่งที่มีคุณค่าเป็นความประเสริฐอย่างหนึ่งและร่างกายคนเราเนี่ยแม้มันจะไม่ครบสามยุสองนะแต่ว่าฝึกได้ฝึกให้ทำอะไรก็ได้อย่างโอโตะเกตก็ทำได้แทบทุกอย่างนิกก็เหมือนกันนะเขาก็สามารถขับรถได้นะสามารถจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอยู่คนเดียวกินข้าวอาบน้ำถูฟัน บางคนก็มีเท้าไม่มีมือแต่สามารถเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้เพราะมากอย่างเราตนตรีชื่อโทนี่เมนเดสนี่ดนตรีของเขานี่มีคนฟังทั่วโลกนะทั้งที่เขามีแค่ขาสองข้างก็ทั้งนึงแต่เล่นกีตาร์คลาสสิกได้เพราะมากอีกตับใดที่ยังมีจิตใจ อย่างมนุษย์มีความคิดความรู้สึกได้แม้ร่างกายจะขาดจะพร่องจะพิการก็สามารถมีความสุขและสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเช่นเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนร่างกายพิการก็ไม่เป็นอุปสรรคสารการเข้าใจธรรมะได้อัอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะก็เป็นอีกท่านหนึ่งพิการตั้งแต่ยุ2ยกว่า เรียกว่าพิการตั้งแต่คอลงมาก็ได้มือก็ขยับได้บ้างพอช่วยตัวเองได้บ้างจากการที่ได้ฝึกฝนทำกายภาพบําบัดแต่ว่าก็ต้องนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งอยู่บนรถเข็นแต่ท่านก็เข้าใจธรรมะเพียงแค่การพลิกมือไปมาเดินจงกรมไม่ได้เหมือนอย่างเราสร้างจังหวะไม่ได้เหมือนอย่างเราแต่แค่พลิกมือไปมาสุดท้ายก็เห็นธรรม แล้วก็รู้กระทั่งว่าไอ้ที่พิการเนี่ยมันเป็นแต่กายพิการแต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนไปคิดว่าฉันพิการฉันพิการใจก็เลยพิการตามไปด้วยแต่พอเห็นความจริงว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้น เ, นเป็นทุกข์ที่เกิดกับกายไม่ใช่เกิดกับใจนั้นท่านบอกว่าจิตเราจะวะพิการเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนได้ หน้าตาท่านแจ่มใสยิ้มแยม้มตรงข้ามกับหลายคนที่มาปรึกษาท่านมีความทุกข์กันทั้งนั้นท่านทั้งที่มีทุกอย่างมีสารภาพเดินเทินไปไหนมาไหนได้นะมีมือมีไม้ครบแต่มีความทุกขนะ์บางคนถึงก็บอกว่าถ้าหาว่าพีการเหมือนอย่างอาจารย์กำพลแต่ว่ามีความสุขเหมือนอย่างท่านก็ก็ยอมนะ แต่จริงก็ไม่ไมต้องแลกหรอกนะแล้วมันก็แลกไม่ได้ด้วยแต่ถ้ายังมีจิตใจนะและสามารถใช้จิตใจซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีเนี่ยนะให้ฝึกฝนก็สามารถจะประสบหรื อ, อมีความแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเมื่อจางกํามผลได้พวกเราทุกคนก็ สามารถจะทำได้อย่างนั้นเหมือนกันมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จริงๆนะมีคนหนึ่งตาบอดที่จริงหลายคนนเดียวนะตาบอดแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยบางทีไม่ใช่แค่ไม่มีไม้เท้านะขี่จักรยานได้ด้วยถ้าที่ตาบอดนะ แล้วเขารู้ทางได้อย่างไรเขาบอกเขาใช้วิธีกระดดลิ้นมีคนหนึ่งเขาเป็นเขาตาบอดตั้งแต่อายุ13อายุ1ตั้งแต่13เดือนปีเศษเ้าใช้วิธีกระดดลิ้นเหมือนกับค้างคาวหรือเหมือนกับเรดารนะ์คือลิ้นเสียงคลื่นเสียงเนี่ยมันเวลามันไปชนกับเสามันก็จะสะท้อนกลับมาที่หูเขาเ้าบอกเนี่ย เขาสามารถที่จะรู้ว่ามีเสาอยู่ข้างหน้าเขาในระยะสองเมตรเนี่ยเขาไม่ใช่รู้นะเขาเห็นเลยมันเป็นภาพสามมิติในสมองเขาเขารู้ว่ามีรถถ้าเกิดอยู่ในระยะรัศมีห้าเมตรเขารู้ว่ามีบ้านอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันอยู่ไม่เกิน50เสิรเมตรบ้านนี่หลังก็ไม่ได้ใหญ่นะห้าสิเมตรก็ไกลนะ แต่ว่าเขาสามารถจะรู้ได้จากเสียงกระดดลิ้นเขากดดลิ้นไปเสียงมันออกไปทุกที่ทุกทางแล้วก็เด้งกลับมาเขาก็เห็นภาพบ้านอยู่ข้างหน้าในรัศมี5้าสิเมตรดังนั้นเขาสามารถขี่จั ก, กรยานได้สบายไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวแล้วคนที่ทำได้นี้ก็มีหลายคนาการแค่กระดดลิ้นนี่มันมันมันหมายความว่า หัวเขานี่ต้องไวมากและสมองเขาก็สามารถแปลแปลเสียงให้เป็นภาพที่นึกขึ้นมาเองได้อันนี้น่าสะใ จ, จมากมันแสดงเห็นว่าคนเรานี่ถ้ายังมีแม้จะมีร่างกายบกพร่องแค่ไหนพิการแค่ไหนถ้ายังมีสมองมีจิตใจก็สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ตั้งหลายอยา่างสามารถที่จะมีชีวิต จังพลาสุกเหมือนคนทั่วไปหรือยิ่งกว่าก็ได้รวมทั้งการที่จะรู้ทำเข้าใจธรรมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความพิการหรือความปกติสิ่งประเสริฐที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เรามีก็คือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จะมีคุณค่ามากท่านติณฑทันนะซึ่งเป็น ครูบาอาจารย์ที่มีคนนับถือทั่วโลกเป็นพระเซนชาวเวียดนามท่านเคยกล่าวไว้ว่าเนี่ยปัจจุบันคือเวลาประเสริฐสุดอดีตกาพนาคตก็ไม่ประเสริฐสุดเท่ากับปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี่คือเวลาที่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะทำสิ่งดีๆในชีวิตได้ไม่ว่าเราต้องการอะไรเช่นเราปรารถนาความสาเร็จ ก็ต้องทําเสียแต่เดี๋ยวนี้ลงมือทําเสียแต่ขณะ น, นี้ถ้าต้องการความสุขก็ไม่ต้องรอความสุขในอนาคตหรือไปโหยหาความสุขในอดีตนะความสุขสามารถจะมีให้เราสัมผัสได้ในขณะ น, นี้เวลานี้เราก็ตรงนี้ด้วยที่จริงพิจารณาง่ายๆนะปัจจุบันขณะหรือ การมีปัจจุบันขนาดเนี่ยมันหมายความว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่อคนตายนี่เขาไม่มีปัจจุบันลวมีแต่อดีตอนาคตก็ไม่มีแต่บางคนนี่แม้มีลมหายใจก็เหมือนคนตายนะอยู่เหมือนตายเพราะว่าเขามัวนแต่อะไรโศกเศร้าเพราะคิดถึงแต่อดีต บางคนเสียสามีบางคนเสยภรรยาก็าทำใจไม่ได้อย่างมีคนหนึ่งเสียสามีไปเป็นสามีที่ดีมากเอาเป็นคนมีเอาใจใส่ครอบครัวรักลูกรักสามรักภรรยาแต่ว่าตายแบบปัจจุบันทันด่วนภรรยานี้ก็ เสียศูนย์ก็ยอมรับความตายของสามีไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังทําอาหารให้สามีกินอยู่เลยเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะที่สามีเคยนั่งอยู่เป็นประจําโทรศัพท์ถึงสามีทุกวันโทรศัพท์ถึงเบอร์ของสามีอนะแสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่เธอไม่สนใจลูกไม่สนใจอะไรเลย อันนี้เหมือนกับว่ายังมีชื่ิเหมือนตายแล้วนะก็คือว่ายังอยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือคนที่เป็นมะเร็งพอรู้ว่าเป็นมะเร็งแค่นั้นแหละซึมเลยไม่รับรู้ปัจจุบันแล้วกังวลถึงอนาคตคิดถึงอนาคตว่าตัวเองกําลังจะตายมีความกังวลมีความพ้วงหรือไม่ก็คิดถึงอดีต ที่เคยมีความสุขมีสุขภาพดีคนที่มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับตายแล้วนะอยู่มันตายหรือตายทั้งเป็นต่อเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะเราถึงจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาคนที่ฝันถึงอ น, นาคตนะบางทีเราก็เรียกว่าคนหลงคนละเมอ อันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนหลงคนละเมอนี่จะมีชีวิตที่พาสุขได้อย่างไรนะจะมีชีวิตชีวาเหมือนคนที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรปัจจุบันซื้อสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเราล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มีคุณค่าทั้ ท, ท, ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่า จะมองเป็นได้นี่หรือจะเห็นมันเนี่ยใจก็ต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยนะสิ่งที่ปรากฏกับเราข้างหน้าไม่ว่าจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราลอยนะมันก็ไม่มีความหมายเพลงเ พ, เ, พเพราะแค่ไหนแต่ถ้าว่าใจกังวลนะถึงงานการอยู่เพลงนั้นก็ไม่มีคุณค่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกถ้าเกิดว่าเรายังเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปในอดีต ทุกสิ่งจะมีค่าได้ต่อเมื่อใจเราเนี่ยรับรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นนะแม้กระทั่งธรรมะนะที่จะสามารถยกจิตยกใจคลายพ้นจากความทุกข์ได้นี่จะรับรู้ได้ก็ต้องใจเปิดรับอยู่กับปัจจุบันพระอรหันต์นี่ท่านบรรลุ ธ, ธรรมเพราะว่าท่านพิจารณาสิ่งที่ปรากฏแก่ท่านในปัจจุบันเห็นอย่างแจ่มแจ้ง จนเข้าใจธรรมะจำแจ้งในธรรมะสิ่งที่ปรากฏแก่ปัจจุบันสิ่งที่สิ่งที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันนี้อาจจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะหมายถึงสิ่งที่ปรากฏแก่กายและใจของเราไอ้สิ่งนี้เป็นปัจจุบันธรรมน ะ, ะท่านเรียกว่าปัจจุบันธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้ น, กนแก่เราปรากฏแก่เราในปัจจุบันเรื่องแต่มีค่า ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพ่อบุณอาการเชนนั้นไวอันนี้คือข้อความตอนหนึ่งในบทสวดมนต์ที่ที่นิสวดเป็นประจำเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้สวด บ, บทนี้เป็นบทที่ชี้อหนึ่งการที่เห็นความสําคัญให้ความสําคัญกับปัจจุบันขณะทําความเพียรในปัจจุบันรวมทั้งการที่เปิดใจรับ สิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้าหากว่าพิจารณาให้เป็นมันก็เห็นก็ทำให้เกิดธรรมะขึ้นได้อย่างพระนักสมานเทลานีท่านเข้าไปในเมืองเห็นหญิงฟอ้อนลำแต่งตัวสวยงามนะประดับประดาด้วยดอกไม้มีดนตรีบรรเลงขณะที่เธอกาลังฟอ้อนลา ใครๆเห็นก็เกิดความหลงแต่ท่านนี่เห็นก็พิจารณาว่าโอ้นี่คือกับดักของมัจจุราชเป็นกำดักของมารโลละเต็มไปเต็มไปได้วยโทษท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายจิต ก, ก็หลุดพน้นเห็นนางฟอสรมเห็นหญิงฟอรรมสวยงามนะแต่ว่าใจท่านไม่หลงท่านก็พิจารณา ก็เป็นการบรรลุธรรมจากการที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะยังมีสติใจไม่ได้หลงไปด้วยนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏกับเราข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่กาลังเกิดกับเราด้วยนะเช่นขณะ น, นี้เราอาจจะกําลังเมื่อยอยูนะ่ถ้าเราพิจารณามัน ด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนะมันก็ทำให้เราได้เห็นและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าทุกขเวทนาได้ชัดขึ้นเรื่อยๆตอนแรกอาจจะไม่เห็นแต่ก็จะรู้ว่าอ๋อความปวดเป็นอย่างนี้เราได้รู้ว่าการเห็นความปวดคืออะไร มันต่างจากการเป็นผู้ปวดอย่างไรการเห็นความเมื่อยเป็นอย่างไรมันต่างจากการเป็นผู้เมื่อยอย่างไรต่อไปก็จะเห็นนะมากขึ้นไปเรื่อยๆอ้อความปวดมันก็มาแล้วก็ไปมันไม่เที่ยงนะอันนี้ก็เป็นปัจจุบันธรรมที่ถ้าเห็นด้วยใจที่มีสติใจที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆ ไม่หลงเข้าไปมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นไดนะ้อย่างบางท่านขนาดถูกเสือกัดเจ็บปวดมีทุกขเวทนามากแต่ว่าท่านก็เอาทุกขเวทนานั้นมาพิจารณาก็เรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณนะ์ดูเวทนาดูความปวดใจไม่ได้ปวดด้วยนะ ไอ้ที่ปวดมันปวดแต่กายแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยแต่ก็พิจารณาจนเกิดปัญญาเห็นแล้อสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่น่ายึดถือเลยทั้งก็ปล่อยจอยพอปล่อยจิต ก, ก็หลุดพ้นเลยเป็นพระอาหารหันต์ขณะเที่ยงอยู่ในปากเสืออันนี้ก็เรียกว่าท่านท่านพิจารณาปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมในขณะนั้นก็คือความปวดนะ เป็นอาการที่เกิดกับกายแต่ว่าถ้ า, าว่าใจอยู่กับปัจจุบันคือมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นประโยชน์ขึ้นมาสามารถทำให้หลุดพ้นได้ปัจจุบันขณะหรือปัจจุบันธรรมก็ยังรวมถึงการที่เราทำสิ่งใดก็ตามหรืออยู่ในอีรียบทใดก็ตามไม่ว่ายืนเดินนั่ง นะไม่ว่าคู้ขาเหยียดขาไม่ว่าเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอันนี้เป็นปัจจุบันถ้ า, าว่าเรามีความรู้สึกตัวใจอยู่กับปัจจุบันนะก็จะทำให้เรามีใจที่โปร่งเบาสบายเบิกบานแล้วก็สติที่มาใช้กับการที่สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นก็ยังสามารถที่จะ เอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้รวมทั้งเอาไปใช้ในการทํำวิปัสสนาเังนั้นปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราต้องใช้ให้เป็นนะโดยการที่เราเปิดใจรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรม เ, เวลาทํางานใจก็อยู่กับงานที่ทําอันนี้ก็เรียกว่า เรากาลังอยู่กับปัจจุบันล้หรือแม้แต่เวลาจะคิดเรื่องอะไรที่เป็นงานเป็นการและใจเราก็อยู่กับสิ่งที่คิดนั้นไม่เพล่ไม่เขวไม่วอกแวกนะกำลังประเมินผลงานในอดีตเราอยู่กับสิ่งนั้นอันนั้นก็เรียกเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันไม่ได้การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดอะไรในเรื่องที่เป็นอดีตไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการวางแผนงานในอนาคต แต่หมายถึงว่าเราทำอะไรใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่เผลอไม่วอกแวกแล้วก็ไม่พลัดเข้าไปในอารมณ์บางทีเกิดเครียดขึ้นมานะเพราะกลัวว่าจะไม่สำเร็จนะหรือว่าเครียดเพราะว่ากลัวคนเขาจะตาหนิต่อว่าอันนั้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไปคิดถึงอนาคตมันข้ามช็อตไปและจิตมันข้ามช็อตไป ยัไม่ทันจะทําเลยไปนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้วไปนึกถึงความสำเร็จแล้วไปนึกถึงคําชมคําตําหนิแล้วอันนี้เราข้ามชอ็อตไม่ใช่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันคือทำไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่าสิ่งที่ทํานั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเช่นอาบน้ําถูฟันกินข้าวนั่นคือปัจจุบันถ้าว่าเรา รับรู้อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนนนอความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้มีค่ามากไอ้ที่ถูกเพราะไม่รู้สึกตัวที่กระตุ้มกลุ่มใจก็เพราะไม่รู้สึกตัวที่โกรธกรี้ยวกลัวก็เพราะไม่รู้สึกตัวดังการทำความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นเนี่ยมันสําคัญมากไม่ทําให้มันก็เป็นประตูมันก็เป็นกุญแจไขไปสู่ ข้อมูลที่ปัจจุบันธรรมนะเตรียมไว้ให้เราท่านทิศนาทานก็พูดเหมือนกันนะว่าท่านเขียนไปเป็ น, เ ป, นเป็นพาศิตนะเอาไว้เคยไปเยี่ยมท่านเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ปากช่องท่านก็มอบอภาพภาพลายภูกันเป็นคติธรรมท่านบอกว่า ช่วงขณะนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ช่วงขณะนี้คือปัจจุบันขณะนี้แหละมันเต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ความสุขก็ดีความงดงามก็ดีอิสรภาพก็ดีความสงบเจ็นก็ดีหรือแม้แต่นิพพานนะก็สามารถปรากฏแก่เราได้ในปัจจุบันขณะอยู่ที่ว่าใจเราพร้อมไหมใจเราหลงไปอดีตหลงไปอนาคตใจเราลืมหรือเปล่า นะถ้าใจเราเปิดรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณนนะก็จะสามารถพบกับสิ่งอัศาจรรย์เหล่านี้ได้รวมทั้งการบรรุธรรมที่คนเราสามารถจะบรรุธรรมได้นะอ น, นี้มันเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถจะทำได้นะพรนะเจ้าตรัสว่าอาริยะโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคน อริยโลคุตตะธรรมก็หมายถึงว่าความสภาวะที่เป็นอิสระจากทุก์อนอิสระจากกิเลสนะมันเป็นทรัพย์ที่มีอยู่กับเราทุกคนอันนี้คือสิ่งประเสริฐสูงสุดอันหนึ่งนะที่เรามีจะเรียกว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่สุดก็ได้นะความเป็นมนุษย์มันไม่มีค่าเลยนะถ้ า, าว่าไม่มีสิ่งนี้ หรือว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้ที่มีล้ในใจเราโน่ น, ะนเราทุกคนจะมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะโน่นเราแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพลาดสูญเสียและต้องตายในที่สุดแต่เราสามารถจะเป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ได้คือ แก่ก็ไม่เป็นทุกข์เจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ป่วยก็ไม่เป็นทุกข์ผนะัดพลาดสูญเสียก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใจนะเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าเกิดว่าเราค้นพบหรือเราได้รู้ว่าเรามีความสามารถตรงนี้อยู่และสามารถใช้ อ, อริยะโลกุตตรธรรมนี้เนี่ย ให้เกิดขึ้นเป็นจริงกับเราเอาการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อมาค้นพบนะว่าเรามีสิ่งประเสริฐที่สุดอยู่แล้วในใจของเรานั่นคือความสามารถในการพ้นทุกข์ความสามารถในการที่อยู่เหนืออยู่เหนือโลกโลกในที่หมายถึงโลกธรรมนะคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสารเสริอมีนินทามีสุขมีทุกข์เอาคนเราเนี่ยทุกวันนี้ทุกข์เพราะทุกข์ก็พราะในโลกธรรมนี้แหละทีแรกก็ดีใจเมื่อได้มาเมื่อได้ลาบได้ยศแต่พอเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ทุกข์ดีใจเมื่อได้รับคำสารเสริญแต่ก็ทุกข์เมื่อถูกต่อว่าด่าทอเอาคนเราเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เห็นธรรมนะก็ยังต้องทุกข์หมุนวนอยู่กับ ไอ้พวกโลกธรรมนี้แหละแล้วทําให้ต้องไปเกิดท่องเที่ยวอยู่ในสัตว์ตสงสารนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ค้นพบว่าเรามีความสามารถที่จะ พ, พ้นทุกข์ได้เพราะว่าเรามีสติเพราะเรามีปัญญาเพราะเราสามารถจะสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งสร้างธรรมะข้ออื่นๆด้วยเช่นเมตตากรุณาขันติ ต่อเมื่อเราค้นพบว่าเรามีสิ่งเหล่านี้และรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะสิ่งประเสริฐสุดที่จะพึงมีกับเราก็จะบังเกิดขึ้นไดนะ้นั่นคือความพ้นทุกข์ที่พูดมาตั้งแต่ต้นไนมะ่ว่าจะเป็นความเป็นมนุษย์ก็ดีการมีร่างกายที่ เป็นอย่างมนุษย์มีความคิดมีจิตใจที่รับรู้รู้สึกได้ใคร่ควรวญได้รวมทั้งการที่ยังมีปัจจุบันขณะในสิ่งเหล่านี้ล้แต่เป็นเครื่องมือนะที่จะช่วยทำให้เราได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ถ้าถามว่าเกิดมาทำไมหรือว่าอยู่ไปทำไมเนี่ย ถ้าตอบอย่างชาวพุทธนะก็คือว่าก็เพื่อที่เราจะได้เข้าถึงให้ความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์นี่แหละถ้าจากพุทธอาจาร์คําว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์พึงจะมีศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เราคือการความสามารถในการพ้นทุกข์ชนะนิดที่เราไม่ต้องพึ่งพา หรือพึ่งพิงสิ่งภายนอกจริงอยู่ร่างกายมันก็ต้องต้องพึ่งพิงอาหารต้องอยังต้องอาศัยน้าอากาศแต่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นอิสระแล้วไม่สแสวงหาคําชื่นชมสรรเสริญแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะคําตําหนินะไม่ปรารถนาที่จะมีทรัพย์สมบัติเพราะว่าจิตใจไม่ได้ผูกติดไว้กับสิ่งนั้น แต่ว่าสามารถจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้เพราะนั้นในพวกเราเนี่ยก็ขอให้ได้รู้จักนะสิ่งประเสริฐที่เรามีมันมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะอยู่ที่ว่ารู้จักมาหรือเปล่าแล้วว่าสามารถจะใช้มันเพื่อต่อยอดสร้างอ่า สิ่งประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อมนุษย์หรือกับโลกนี้ น, นถ้าไม่ค้นพบหรือไม่รู้จักนี่นนก็จะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้นะและหลายทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่เสียชาติเกิดแต่ยังสามารถจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นได้นนคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์นะ คือแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้อยู่เหนือทุกข์ไดนะ้ถ้าเรารู้จักสิ่งประเสริฐสูงสุดนะที่เรามีที่เราครองอยู่แล้วอ่ชานี้ก็พูดกันเท่านี้